มีความละเอียดลึกซึ้งทั้งในด้านอัตถะคือความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือถ้อยคาสันวนผู้ที่ใกล้รู้พระพุทธศาสนาควรจักได้ศึกษาและพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบและเมื่อได้พิจารณาไตรตรองจนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วก็จะทำให้เห็นความละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาคือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า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 คือการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาตส่วนทศพิตรราชธรรมนั้นเป็นหลักปฏิบัติเพื่อผลสูงสุดในทางอาณาจักรคือการบรรลุถึงความเป็นพระธรรมจักรพัฒหรือพระจักรพัฒผู้ทรงธรรมซึ่งจะเป็นผู้สร้างสันติสุขให้แก่มวละสบนิกรของพระองค์ทั่วราชอาณาเขต